ธานิยบปูชา2553ผู้ไม่ตื่นยศหลวงพ่อรู้สึกเฉยเยไม่เห็นกระตือรือร้อนกับพวกยศถาบรรดาศักดิ์ใครจะใหญ่จะโตเพียงใดแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นมันเฉยเฉยเวลาเฝ้าในหลวงเขาทั้งหลายเนี่ย บางทีตัวสั่นแล่หเรานี่ก็เฉยเฉยนี่ยังนึกเสียใจอยู่ที่วัดหนองจอระเข้สมเด็จพระเทพรับสั่งถามเวลานี้ท่านเจ้าคุณไปอยู่ที่ไหนหลวงพ่อตอบที่ไหนประชาชนเขาต้องการก็ไปอยู่ที่นั่นสมเด็จพระเทพรับสั่งอืมดีไม่ติดถิ่นที่เนี้ยมันนิภายหลังเอ๊หเรานี่เล่นลิ้นกับเจ้านายหรือเปล่า ตอนที่ท่านเสด็จมาวัดป่าสารวันท่านถามปัญหาโ น, น่นนี่เวลาเหตุการณ์ผ่านไปแล้วท่านเจ้าขุนเทพเวราลังการท่านบอกว่าโอ้ยผมอสจรหลวงพ่อคำถามที่ใานหลวงรับสั่งถามเนี่ยพ๊ผมคิดไม่ออกเลยทำไมหลวงพ่อพอท่านถามจบปับ๊บตอบปุ๊บพอขึ้นประโยคแรกนี่คำตอบมันขึ้นมาแล้วแล้วมันขึ้นมาอย่างที่เราไม่ต้องคิด บางทีพอแค่ประโยคนี้ไปคำถามนี้ไปปับ๊บมันเชิงจะรู้ว่าต่อไปท่านจะถามอะไรในหลวงท่านทรงเป็นบุคคลช่างคิดคน้นคว้านักวางแผนนักวิชาการเพราะพระองค์ใช้พระทัยคิดอยู่ไม่หยุดยัง้งการคิดด้วยความตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมาธิถึงแม้จะรับสั่งถามเกี่ยวกับเรื่องโลกก็ตามแต่ก็มีคุณธรรมแฝงอยู่ทุกคาถาม